เมื่อทีฆตาปัดสีนิครนย้ำถาม ถ, ามถึงสามครั้งแล้วทีฆตาปัดสีนิครนก็ลุกจากอาสนะหลีกไปเล่าความให้นิโครนธนาตบุตรผู้นั่งอยู่กับบริษัทที่เป็นเครือขัดชาวพาลุกกะคามมีอุบาลีคฤหอขัดเป็นประมุขเล่าให้ฟังทุกประการนิโครนธนาตบุตรก็ชมเชยทีฆตาปัดสีนิครนว่าตอบถูกและย้ำว่า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 อุบาลีกฤรหบดีกราบลานิครนธนตบุตรไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อได้ถวายบังคมและทูลถามถึงถ้อยคำสนทนาระหว่างพระองค์กับทีคตะปัสสีนิครนซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ตรัสเล่าความให้ฟังอุบาลีคฤรหบดีกล่าวชมทีคตาปัสสีว่าพูดโต้อตอบตามหลักของศาสนานิครและได้กล่าวย้าว่า พันทางกายมีโทษมากกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าอุบาลีขรหบดีจะยอมตั้งอยู่ในสัจจะพูดจากันก็จะมีการสนทนากันในเรื่องนี้อุบาลีขรหบดียอมรับจึงตรัสถามว่านิครนเจ็บหนักห้ามน้ําเย็นรับแต่น้ําร้อนเมื่อไม่ได้น้ําเย็นก็ตายดังนี้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 คือเดิมชี้ว่าทันทางกายมีโทษมากกว่าแต่กลับชี้ไปที่เจตนาว่าสำคัญแต่อุบาลีเครหาบดีก็ยังยืนยันว่าทันทางกายมีโทษมากกว่าตรัสถามว่าเมืองนาลันทานี้มั่นคงเปื่องปูมีชนมากมีมนุษย์เกลื่อนกล่นใช่หรือไม่ทูลตอบว่าใช่ตรัสถามว่า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 แสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตแต่พระผู้มีพระภาคตรัสเตือนให้พิจารณาเสียก่อนเพราะการพิจารณาแล้วจึงธทรรมเป็นการดีสำหรับอุบาลีเครหาบดีที่มีคนรู้จักมากอุบาลีเครือหบดีก็กลับเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสระณะตลอดชีวิตเป็นครั้งที่สอง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 นายประตูก็ห้ามเข้าจึงกลับมาเล่าให้นิครณทนาตบุตรฟังแต่นิครณทนาตบุตรก็ยืนยันไม่เชื่อถึงสามครั้งแต่ในที่สุดก็กล่าวว่าตนจะไปดูเองนิครณทนาตบุตรพร้อมด้วยบริษัทนิครณไปยังที่อยู่ของอุบาลีคฤหบดีนายประตูก็ห้ามเข้าอ้างว่าอุบาลีคฤหบดี